แจะพิจารณาอะไรแจะพิจารณาได้อย่างเดินโยนนั่งพั a v a n พักผ่อนหลับนอนกอดสะดวกสบายถ้ามีพักผัวเปลีนผุ้งผู้คนจะเกี่ยวข้องก็เลยเป็นโอกาสเว ล, ลาที่ฉันพิจารณาสะดวกสบายมี่เรื่องของพระพุทธเจ้าทำมาทุกสิ่งทุกส่วนทดสอบมาโดยตัวของฉันเองที่เป็น ธรรมะที่ก่อนเทศสอนในธรรมจั ก, กรมะมาสุขันเรื่องตะเกียมาถาท่าเดินมาทำมาแล้วเราปล่อยไปตามยิเหลี่ยมปัญหาตามธรรมดาของความนึกคิดในจิตในใจอยากไปก็ไปอยา ก, อ, กอยู่ก็อยู่อยากพูดอยากคุยอยากกินอะไรก็ทําไปตามความอยากของคน ผนเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพระองค์สอบสืบพินิจเกณฑตัวของท่านว่ามีอะไรดีวิเศษขึ้นให้ปฏิบัติทุกกายกิริยาอดนอนผ่อนอาหารทำความภาคความเพียรทางกายอย่างเป็นที่เป็นฐานทรมานเป็นที่ไม่มีใครที่ไหนจะเล่อมใกว่า พระ อ, องค์ก็เคยทำมาจนอัตตายกิลมัทฐานโยกในเกิดคุณงามความดีอะไรให้พระ อ, องค์จึงมาถือสายกาคือมัติมาพอใจทัองท่านประพฤติปฏิบัติเข้าใจส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเวลามันพอดีพางงามเป็นอย่างไร พระองค์ทราบในพระไทยของพระองค์คนที่ไม่เคยจะทำเชี่ยเลยมักสล่าวหาดูหมิ่นมินทาพระกรรมฐ า, านอยู่ตามป่าตามเขาอดข้าวอดหลับอดนอนเขาถือว่าพวกนี้เดินอาจากจีนถ่านี้โกขาดการศึกษาไม่ทราบว่ า, วา <c oughs> เป็นทางผิด ปฏิบัติโดยงมงายพระพุทธเจ้าท่านเคยทำมาท่านเคยบัญญัติตาหรับตำราเอาไว้จะเป็นทางเป็นไปเพื่อทุกข์เปล่าไม่ได้จะไประโยชน์อะไรท่เคยมีทั้งคราวาทั้งมันในคิดนัก บ, บวชเคยพูดเคยว่าเพราะเขาไม่เคยศึกษาเพราะเขาไม่เคยทำพถ้ารมมฐาน จะบา ง, ง, โงโง่คงโง่จริงนจจ้งเพราะไม่ได้มีประกาศนโยบตยเหมือนเขาแต่ผู้ที่ทำกรรมฐานอุตสาพยายามอดนอนผ่อนอาหารประเพื่อปฏิบัติมักน้อยสั้นโดดอยู่ในป่าในเขาต่างหน้าต่างตาภาวนานะดูจิตใจท่องตนนั้น ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นอัตตาจกลมถาน้อโยเพราะเหตดใดเพราเคยกินเคยคชาเคยอยู่เคยหลับเคยนอนตามคว า, า, ามต่องการของตน ต, ตามเรื่องข่องโลกเคยทำมาจิตใจเป็นอย่างไรแล้วก็สะาดดีจะไมมีอะไรเกิดขึ้นให้หนอกจากกิเลสปัญหาทับถมจิตใจยิ่งพักผ่อนนอนมากเทไรปัญหา กิเลสมันก็มากขึ้นเรื่อยกินหน้ากเท่าไรคล่องอยุดคล่องดีมีวิจิตตานินสูงเท่าไรกํลาลังกายโเกิดขึ้นใจก็เกิดกิเลสปัญหาพอกายดีจะไปทําอะไรทำได้สะดวกสบายใจก็เลยเหงคิดใหญ่ใฝ่สูงอยากอันนั้นปรุงอันนี้ไม่มีเลวลาลงรวมไม่มีเลวลาเดียความสงบ เคยมาแล้วแต่เมื่อมาพักค่อนการหลับการนอนการขบการฉัน้วใตั้งน้าตั้งสาเดินจงกรมภาวนาที่าีรนาภายไหใ จ, จถูกใครแส่ใสวิ่งบอนไปตามที่เหลือปัญหาปรงแต่งไปทางโลกมันสงบลงไหมหรือมันเป็นอย่างไรท่านจะต้องทบทวนที่กรณาดูตัวของท่านอยู่สม่ำเสมอมในชีว่าการ อดนอนผ่อนอาหารทำทุกการจิตญาณนนั้นจะให้จิตเหลวปัญหามันตกมันพังไปเองไม่จ้าอย่างนั้นท่านอดท่านทำเกียวความเพียรของท่านทางใจไม่เคยละไม่เคยเว้นทิ่เจรณาธรรมะอยู่ส ม, มดด่ําเสมอตรวจดูจิตใจของตัวอยู่ส ม, ม่ําเสมอไม่เคยละ อดนอนจะให้หมดกิเลสอดอาหารจะให้กิเลสพังไปทำไมตั้งใจอย่างนั้นเอดนั้นท่านจะไม่ผิดมาโดยโดนอย่างอัตตากิลมถานโยกอย่างที่เขาว่าใจท่องท่านเองเห็นใจท่องท่านเองรู้ว่าเมื่อมาอดนอนผ่อนอาหารอย่างนี้การทําสมาธิสะดวกรงเรือมงง่ายสติก้า สามารถรักษาจิตทีคิดปรงทันท่วงทีไม่ได้เรีนไม่ได้หลงเละเลเียนไปต่างเหมือนก่อนที่กินตามชอบใจนอนตามชอบใจทันเห็นผลการกระทำของตนท่านจึงไม่หวั่นไหวที่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้คนที่เคยทำมาว่าท่นานทราบดี แต่ที่คนที่เคยทํามาว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่ <c oughs> นาอัปปจีเนถาเลสการมาสุขันธิการนิโยท่านเคยทํามาแล้วเคยเห็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วท่านจึงว่านั่นท่านสาธุอ น, นุโมทนาเพราะท่านเห็นท่านเจนไหตัวของ <c oughs> ท่านคือเราจะไม่ได้ศึกษาจะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมะอะไรจะมาว่า ท่นทำผิดคูยดีเราทำถูกเราคิดถูกพูก ถ, ถูกหมดที่เหลือตัดสู้หรื อ, อยังถามตัวหรือไม่ถ้ายังไม่ถามตัวทำไมไปขู่เห็นองค์อื่นคนอื่นที่เขาทำดีคนหน้าที่นี้ที่ใจนาเหมือนกันแต่คนว่าเมื่อด็พิี่ใจนาทิ้งตัวอย่างนั้นยึ่งบา้าไปโดยในเ ด, ด, ด, ด็ใครคิดผิดถูกอะไร คือาาอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีต ท, ที่ผ่านมาท่านทําแบบนั้นท่านจึงเห็นจิงเป็นในใจิตในใจของท่านไม่ใช่ท่านอยากกินเนื่อไรก็กินไปอยากนอนเมื่อไรก็นอนไปไม่มีการบังคับกายบังคับใจของท่านอยากเผลอเผลอเห็นหั น, นบัวเมาโยกขวั่งกับอะไรก็ทําไปตามเรื่องของใจทำไม จะพิสูปฏิบัติมาแบบนั้นที่รู้ทำรรเห็นทำจะรับความสงบผูกภายในท่านต่อบังคับกายบังคับใจของท่านตามกําลังความสามารถของท่านจะบังคับน่อยมากขนาดไหนเป็นเรื่องของท่านจะบังคับตัวของท่านไม่ได้แปลไปตามอารมณ์สัญญาของใจความผักดันของกิเลสตัณหา มาอย่างนั้นท่านไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นครูดีวิเศษมาสอนพวกเราทุกทุกองที่ท่านมีธรรมะภายในเล่าปฏิปฏาทาการปฏิบัติของท่านมาน่าเลื่อมใสเพราะท่านทำได้ในแาบการอดอาหารด้วยการอดหลับอดนอนการ ขาดการเชื่อมแบบไหนท่านสู้เอาจังท่าจึ ง, งจรู้จึงเห็น จ, จึงดีจึงเด่นมาได้นไในใจอยู่ธรรมดาธรรมดาก็่รราศัตรูเอาในเป็นแบบนั้นฉะนั้นการขี่ดูหมิ่นมินทาว่าชักขาดการศึกษาพระโง่เง่าเตาตืตนถ้าไม่รู้ตำรับตาราหลับหูหลับตาอยู่ตามต่าตามดงจึงไม่ถูกทุกอง์ไป เพราะพวกเรานั้นท่านสามารถที่จะทํำความสงบของใจได้คนที่ดูมิน่นนินทาอย่างนั้นให้ไปปฏิบัติอย่างท่านปฏิบัติได้ไหมคนที่อยู่แบบผูกดูหมิน่นนินทามีจำนวนมากใครไปเสพดีเศษอย่างไรจีตควรจะนล้วเสริญเยินยอภายในใจถึงจะมีความรู้โดยการศึกษามากมายขนาดไหน จิตใจของผู้ที่ศึกษามนาะได้รับความผ่องใสจิตใจของผู้ศึกษานะได้รับความสงบสงัดตัดกิเลสปัญหาหรือไม่เราก็พอทราบได้ได้ตังแต่ตำราได้ตังแต่สัญญาไม่ใช่เป็นมาจากขอวัดปฏิบัติเป็นมาจากการปฏิบหัดด้านจิตใจของตนถ้าคนรู้คนเห็นความเป็นภายใน ไม่ต้องพูดมากก็พอทราบได้เรื่องความเป็นไปภายในของท่านเพราะท่านเอ่ยออกเท่านั้นเราก็พอทราบเพระาพพระท่านเอาของจริงออกมาพูดถึงจิตถึงใจพูสะดับรับฟังถึงหูถึงตาพูทีเด็ดเตปศึกษาไปพบเห็นเพราะท่านมีความดีมีความเยือกเย็นมีความเป็นธรรม ในตัวของท่านแต่นั้นพวกเราผู้มาศึกษามาปฏิบัติกุจงพินิษฐ์ิจเรณายาึยดถือพระพุทธเจา้าหรือสาวกครูอาจารย์ที่ท่านไปายเพื่อปฏิบั ต, บติมาก่อนท่านปฏิบัติได้เห็นเป็นขึ้นด้วยการอดอยากลำบากหากเคียนอย่างจริงจังท่านจึงรู้จึงเห็นจึงเหยียดจึงเยน็น ในจิตในใจของท่านถ้าหากความลำบากจยากเย็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหนวความปุงคิดทางจิตใจไปในมุมต่างๆหากเรามาคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกที่ปฏิบัติมา ก, ก่อนท่านก็เป็นเหมือนกันกับเราแต่ท่านอาศัยตามอดความนลตามผะความเพียน มีมานะต่อสู้สิ่งใดที่เป็นค่าศึกศัตรูของใจเราจะต่อสู้เอาชัยชนะจากสิ่งนั้นให้ได้ถ้าหากต่อสู้ไม่ได้เราจะพยายามต่อสู้เบื่อไปไม่ยอมถอยหลังให้หจีเรตัญหาเป็นเจ้าเป็นนายของใจคิดพิจรณาอย่างนั้นอยู่สม่ำเสมอ ความผ่าความเพียนไม่ยอมละถอยพยายามทำตามพะพุทธเจ้าหรือสาวกทุกคนที่บ่นว่าจิตฝุ่งสารลำคาญจิตไม่สงบลงรวมจิตไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในอาจในธรรมจะสงบละงับไปเพราะเหตุใดเพราะกา ร, ป, รปฏิบัติ มีสติปัญญามีมาณะต่อสู้กับจิเลตัญหามีความภากเทียนพยายามเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติดูจิตดูใจของสนตลอดเวลาสิ่งใดเป็นข้าศึกปัดเต่าให้ตกหายไปสิ่งใดที่จะยังจิตยังใจให้เยอยเย็นเป็นธรรมรักษาเอาไว้ ประพฤตปฏิบัติต่อไปเรื่องที่จะสงสัยว่าความสงบเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรใจทําไมฟุ้งสร้านคิดอ่านปุ้งแต่งไปแต่เรื่องนอกจะไม่มีในจิตในใจของบุคคลผู้นั้นเพราะบุคคลผู้นั้นเคยแนะสอนเคยผากเพียนเคยบําเพ็ญเคยแจ้ไขใจที่คล่องจิตจิตปรุงต่างๆ ด้วยสติของตนด้วยปัญญาของตนด้วยความผ่าความเพียรของตนเห็นผลไปจากเลยไม่มีอะไรที่จะสงสัยพอเอืยอธรรมะดงปฏิบัติของใจใครสงสัยอะไรเขาปฏิบัติไปถึงแค่ไหนเขาเอื้ขึ้นเพราะทันประพฤติปฏิบัติมาเคยําระตัวของตัวมาจนถึงฝั่งถึงเขตของ ความบริสุทธิ์จะทราบดีว่าคนนั้นอยู่ในตอนนั้นในขั้นนั้นควรจะพิดนิพิจนาไปอีกอย่างนั้นถ้าหากเขาสงสัยตายใจว่าเขารู้เขาฉลาดถึงขีถึงฐานทราบได้ว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่ความบริสุทธิ์ดีมุตจริงจัง ทุกขั้นทุกผนทุกแห่งไปถึงจะไม่ศึกษาํำหรับตำลาภายนอกแต่ศึกษาภายในกายใจของตนก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของคนทั่วไปที่มีจิตใจเกี่ยวข้องกับอัดกับทาได้อย่างสะดวกสบายเพราะท่านเห็นท่านเป็นภายในถึงจะอธิบายไม่กว้างขวางแต่ก็ถึงใจของผู้สดับรับฟัง นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติกายบายใจาใจของตนทำทุกอย่างเพื่อทราบความดีความชั่วในตัวของตัวไม่ใช่ว่าสิยงนั้นเขาว่าไม่ดีเขาว่าผิดแล้วไม่ทำอยากฉันตอนไหนเวลาใดฉันไป อยากคิดอะไรปรุงอะไรปรุงไปไม่รักษาใจไม่รักษากายไม่รักษาบาจาไม่มีการทั้งวอมรักษาอย่างนี้จะให้มันดิบมันดีมันไปเสพวิเศษพ้นกิเลสไปนั้นอย่าไปหวังไม่มีทางจะดีจะวิเศษไปได้คนที่ทั้งวมระวังรักษาภาวนาประพฤติปฏิบัติโดนมาทั้งอัตตาจิลมัทฐานโยกทั้ง ก า, าสุขันธิการนโยกเป็นจิตของท่านปล่ยวางทั้งดีและชั่วเป็นกลางในจิตคล้องทั้งสุขทางทุกจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไรนั่นแหละใจเป็นกลางถ่าใจยังติดของปรุงแต่งเรื่องต่างๆอยู่ไม่ใช่ใจเป็นกลางใจจะเป็นกลางอย่างนี้เพราะอาศัยการทำบำเพ็ญทินิทิจรนา ตลอดระยะเวลาความผ่าเพียนรักษากายบาจาใจท้องตนตั้งหน้าต่างตาทาจริงจังไม่ใช่ทาเล่นๆจึงเห็นผลอย่างนั้นได้แต่ยังไม่เห็นผลในตนท่องตนก็อย่าไปสนใจเรื่องอื่นออกไปจากการกระทําบำเพ็ญภายในเพราะถ้าไปสนใจเรื่องอื่นปล่อยวางภายในกวนัก บ, บันจะห่างไกลความสงบความ ควากิเลสถากนใจถอนใจพิจารณาใจท่องจนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้กิเลสที่มีอยู่กวนับวันจะเบาบางเหยียดหายไปถึงจะหนาเทึบขนาดไหนก็ไม่เหลือความสามารถของผู้ภาคเพียนแห่งพินิษพิจารณาแท้จรงกล่าวไว้ว่าทางสําหรับตําราทาง ป <c oughs> ริยัติวิดดเ ย, ยนะทุกขมัมาเยติคนจะ็บ้นทุกไปได้เพราะความเพียนเพียพรพยายามรักษาเพียพรพยายาดูใจทองตนอย่าไปสนใจเรื่องอืน่นผิดถูกดีชั่วถ้าหากเรามีสติพิจิตรเจนนะมันเหนื่อยเกิดมาจากทองฟ้าอาคา่ามันเกิดขึ้นจากจิตเิืปรุตู ไปสถานที่ไหนก็ไปช อ, ออชอบพออย่างนั้นชอบพออย่างนี้เป็นแสงคิดนึกแต่เจอเรื่อง น, นอกผลที่สุดความคิดนึกของตนความไม่ยสุดผลทรมานความหมารักษากายราจใจนั่นแหละเป็นภัยเสียตัวโค้งตัวไม่ใส่ความเสื่อมันเกิดมาจากที่อื่นเหมือนกันกับสนิมเกิดขึ้นจากเหกเล็กจะตัดกินเหล็กทําให้เหล็ก ไร่หรอเสียหายไปใจของเราก็ทำนองเดียวกันที่เหลือปัญหาไม่ได้มาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากใจของเราผู้ที่ํำระสาสาผู้ที่มีสติปัญญาที่เจรนาภายในําระอยู่เรื่อยไปที่เหลือที่มีอยู่ในใจจึงค่อยตกออกไปหลุดออกไปใจสงบใจผ่องใสใจเยือกเย็นใจเป็นสุขเห็นตาจากในตัวของตัวไม่มีอะไรปิดกัน้นบังเอาไว้ ใจผ่องใสใจเยือกเย็นใจเป็นธรรมแต่ก่อนเห็นรูปฟังเสียงสูดกลิ่นริมรถถูกสัมผัสจิตใจจิตข้องยึดถืออย่างไรแต่เมื่อเราปลุกใจเข้าถึงอัจถึงธรรมจริงจังเราเป็นอย่างไรเราเปิดตาพิจารณาภายในเข้าใจในตัวเองในต่องคนนั้นมาบอก ว่าท่านดีวิเศษหมดยินเลยแล้วนะเราก็ไปเชื่อตามลมปากของเขาเขามาพูดว่าท่านอย่เ ง, ง่เงาเต่อตออกเกาตนะอะไรเกินบวชมามาเดี๋ยวพิจารณาอะไรบวชมาสะสมชีวิตปัญหาปวเสียใจใ่ตามลมปากของเขาไม่เป็นอย่างนั้นท่านที่มีอาจมีทำท่านพิจารณาทุกอย่างมาเดี๋ยวตืนเส้น ไม่ไดหิเบาใจเบาเหมือนคนธรรมดาเขาดูถูกเินทาทาา่าหักว่ามันเป็นทางชั่วทางเสียจริงจังเราไม่เห็นที่ใจนะไม่รู้ไหมเข่าใจเขาพูดอย่างนั้นก็ดีนาอนุมโมทานาเขาเมตตาสงสารบอกความผิดให้เราเราจะได้แก้ไขปรับปรุงกายใจของเราให้ดีขึ้นไป โดยเป็นของดีวิเศษเป็นยาแก้ที่เหลียดตัญหาที่เขาดูถูกนินทาไม่ได้เสียใจเจ็บใจเพราะเขาว่าดีใจเผิดเพอินมีผู้อื่นมาแนะนให้เหมือนเขาบอกคุ้มซับเขาสรรเสริญเยินยอว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ดีไม่วิเศษอย่างเขาว่า เราก่อไห ม, มเพิดเพลินลุ่มหลงเขาเห็นเราว่าเราดีวิเศษแต่เราไม่ดีวิเศษอะไรเขาเห็นเรเสรืออย่างนั้นเราควรจะปรับปรุงกายใจของเราให้ดีวิเศษตามคำสิทธิ์เขาเล่เาว่าเลยอยู่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์พิจรารณาทางผิดใส่ดีพิจรารณาทางถูกให้ดีไม่มีอะไร จิตจะเป็นภัยแก่ใจเพราะพิยงนาถูกมันไม่ผิดจิตก็เลยสงบเยือกเย็นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลามีการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติกายใจท่องตนสืบ่อบเหตุผลด้วยสติด้วยจัญญาไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมะไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นเองมันไม่เป็นอย่างนั้น มันอาศัยสถานที่เหมือนกันแต่อาศัยตัวของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าสถานที่นกหนูสาตาัตว์ป่าเขาอยู่ตามป่ายเื่ปัญหาก็มีหรือไม่เพราะเขาไม่สนใจที่จะละจะบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ป่าแต่เพียงกายของเขาแต่สติปัญญาธรรมะไม่มี มันก็ไม่มีอะไรดีวิเศษเกิดขึ้นให้ถ้าหากเราไปอยู่ป่าที่วิเวกภาวนาสงบสงัดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็าสอนเราเรามานี้มาตั้งใจทำคุณงามความดีมาตั้งหน้าทำความเพียรไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาวิเวกแต่ยังกายจะวิเวกเข้าถึงใจสิ่งใดที่เป็นภัยอันตรายสิ่งใดเป็นข่าศึกศัตรูต่อใจ ใจที่ใช้ซึ่งสุงคิดนึกต่างๆเราจะสอนจิตอบรมใจของเราให้สงบจะแก้ไขคิดไถ่เคลีลือปัญหาออกจากใจให้ใจเป็นใจวิเวทไม่ใส่ใจวิบุนวิเวทสงบในอัดในทรรมเรามาบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ใช่เรามาหลบหนีการงานภายนอก เราสอนตัวของเราอย่างนั้นสถานที่เงียบา ง, งานหมดลเลเหลืออะไร้ายก็ไม่มีใครที่จะมาเกี่ยวข้องรูปเสียงเรื่องนอกเขาสงบเงียบก็เหลือต่ใจใจทำไมคิดไปปรุงไปจิตข้องกับสัญญาอารมณ์มานี่หาบมาหามาหรือสัญญาอารมณ์ทำไมไม่ตัดเตา่าให้สัญญาอารมณ์ตกหนี เรื่องของธรรมะที่ควรพิจารณาที่จะเอาใจมาเ ก, กาะมาอาศัยมันมีมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องอารมณ์วัย อ, อยุเรื่องของทีเดียปัญหาเรื่องโลกโลกเราทําไหมจึงไม่พิจารณาภายในพิจเจรนาธรรมะมีปัญญามีสติรักษาใจสอนใจถ้าเพียรพยายาม บำเพ็ญคุณตามดีอยู่ทุกวิถีทางทั้งสถานที่ก็สงบวิเยททางใจก่อวิเวทยิ่เดือัรนหาเมื่อถูกสติปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆคอยตกไปหมดไปความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกระยะทุกเวลาฟัางธรรมะจากใจพองธตนอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพิจารณา ให้เกิดธรรมะเกิดความรู้ความสอ้ใจในสิ่งหนนนั้นตามเป็นกริงของมันนี่คือผู้ปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติเพื่อหนีโลกถ้าหากไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้นจะไปอยู่สถานที่ใดก็ไปเถอะมันไม่เป็นไม่ไปใจจะวุ่นด่วุ่นวายอยู่กับโมฆะนั้งมูะนั้นามาก โอกาสเวลาจะภาวนายากอยู่คนเดียว ก, กว่าูอ่ะีสาวนางไมา้ปัดป่าต่างๆนั้นนะจะพิจารณาภายในให้จิตใจสงบแล้วครับกว่าพิจารณาไม่ได้อะไรก็มีแต่ทางผิดคือคนผิดจิตผิดตั้งใจผิดพิจารณาผิดมันก็เลยผิดเรื่อยไปฉะนั้นเราจึงสอนสายสอนใจท่องตนบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อ คามสงบสุขของตนอย่าไปกังวลคิดหนักไปในเรื่องของโลกพยายามปราเต่าอารมณ์สัญญาเกลียดปัญหาที่มีอยู่ให้หมดออกไปที่ยังไม่มาอย่าให้ไหลเข้ามาทับถมกายใจของตนนี่คือการปฏิบัติศาสนาทุกคนเมื่อต่างหน้าต่างตาที่นี้ิจารนาอย่างนั้นพวกเราท่านก็จะมีความสุขความเจริญ การอธิบายธรรมจึงเห็นว่าพอสงควรเสียเวลาพอาะยุติเพียงแค่นี้เอง